ท่านฟังคเรามาพบกันหลังจากที่พระมาร์คชาคาวโรท่านได้อ่านพระสูตรผ่านไปในรายการสัสนิสนทนาเป็นการเริ่มต้นของรายการหลายคนก็บอกว่าอุยวันนี้เป็นเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าเลยค่ะเพราะว่าเรากำลังจะนำทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวอินเดีย สังเวชนียสถานทั้ง4แห่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุญโนแล้วก็พระมาร์คชาคาวโรโดยมีดิฉันจะพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลจากมีประสบการณ์บ้างตลอดจนดิฉันได้นังสือที่มีคุณค่าที่ได้เดินทางไปอินเดียในคราวก่อนพระคุณเจ้าในรายการของเราก็คือนังสือสุแดนพระพุทธองค์อินเดียเนปานโดยพระราด ร, ร, ร, รัตนรังสีวป วิระยุทธโธหรือบางคนที่รู้จักท่านดีก็จะเรียกท่านว่าท่านวีระยุทธนะนะคะมาประกอบในรายการในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะซึ่งจะมีพระอาจาร ย, ย์ไพบูรณอภิปุณโณพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งที่เดินทางไปที่สังเวชนียสถานร่วมกันกับพระมาร์คเนี่ยนะคะมาดําเนินรายการคะ่ะน้มัสการกับท่านคะอาจารย์เนตรพรค่ะท่านอาจารย์ครท่านมาร์คเนี่ยขึ้นต้น เกี่ยวกับเรื่องย่อของพระพุทธองค์ที่พวกเราควรทราบไป อ, อันนั้นเป็นจากพุทธประวัติจากพระโอส์ด้วยใช่ไหมคะใช่นั่นมาจากหนังสือพุทธประวัติจากพระโอสถซึ่งท่านพริตาได้รวบรวมมาจากพระไตรปิฎกค่ะดิฉันเองก็จําได้เพราะว่าได้เคยอ่านในรายการนี้เมื่อปีก่อนนั้นใช่ครัทีนี้พูดถึงการจะไปสังเวชนียสถานท่านฟังทางบ้านบางท่านอาจจะต้องการอยากทราบว่าท่านไปกันมาเมื่อไหร่อย่างไรย่อๆก่อนนะคะ ก็คณะอที่เดินทางไปครั้งล่าสุดนี่ก็ไปกันห้าวันไปสังเวชนียสถานทั้งสีที่เลยแล้วก็พอไปถึงก็ได้ไปเฉพาะแค่สังเวชนียสถานสีที่นะแล้วก็ไม่ได้ไปที่อื่นเลยคือที่พุทธคยาที่กุสินาราที่เมืองปราณาสีแล้วก็ที่ลุมพินีเท่านั้นเองค่ห้าวันแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้สึกเหมือนกับได้ไปด้วย เพราะว่าการเดินทางครั้งนี้จะมีความเป็นพิเศษของคณะนี้ที่ตรงไหนนะคะท่านก็คือว่าเราได้เอาพุทธประนะไปอธิบายไปให้ฟังว่าณตำแหน่งนี้พระพุทธเจ้าได้ใส่ตรัสอะไรอะไรไว้นะตำแหน่งนี้พระพุทธเจ้าได้าสาธยาย ส, สูตรไหนเอาไว้แล้วก็มาอ่านให้คณะผู้ที่ได้ไปเนี่ยได้ฟังกันค่ะยชนมากแล้วเราจะเรียงลําดับอย่างไรดีคะ ในสีสังเวชนีนี้ท่านเริ่มต้นที่พุทธคยาถูกไหมคะใช่เพราะนั้นก็เลยจ ะ, ะตามลําดับ ก, การเดินทางเราก็จะเริ่มจากที่พุทธคยาก่อนจะเท่ากับว่าเหมือนกับได้ไปพร้อมกันเลยนั่นแหละเพียงแต่ว่าได้ไปทางอากาศแล้วก็ไปทีหลังหน่อยนึงคือได้ได้ไปโดยสถานที่เนี่ยก็ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยที่ที่ได้ฟังรายการก็เหมือนได้ไปด้วยกันค่ะก็คือว่าได้ฟังพุทธวจนะที่ท่านมาได้อธิบายในตอนต้น แล้วก็อาจารย์มาก็จะอธิบายขยายความเพิ่มเติมค่ะเป็นโอกาสอันดีมากนะคะท่านฟังที่กำลังฟังรายการสันสนีสนทนาอยู่ดังนั้นก็อยากจะให้ท่านได้ช่วยกรุณานำพวกเราเข้าสู่บรรยากาศของการเดินทางไปสังเวชนียสถานที่อินเดียและเนปาลด้วยกันเลยโดยย้อนไปที่พระสูตรที่พระมาร์กชาควโรได้สาธยายไปในเบื้องต้นก่อนเข้ารายการนี้ว่าเพราะเหตุใดจึงเริ่มต้นด้วยพระสูตรนั้ น, นั้นคะ่ะ ก็คือว่าท่านมาได้อธิบายถึงเรื่องที่ควรทราบก่อนเกี่ยวกับพุทธประวัตินะั่นก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระบิดาชื่ออะไรมารดาชื่ออะไรทํา อ, ออกบวชทําไมถึงออกบวชแล้วก็บําเพ็ญทุกรกิริยาอยู่กี่ปีอันนี้เป็นรายละเอียดโดยทคร่าวที น, นี้ท่านมาก็ได้อธิบายถึงว่าเหตุผลที่ทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดตรงนั้นอยากจะอธิบายถึงเรื่องสังเมตติยสถานก่อนที่โดยพรธวจนะ ที่ได้ตรกับพระอนนท์ตอนก่อนที่จะปรินิพพานคือพระอนนท์นมีความกังวลว่าจะไม่ได้พบภิกษุผู้น่าเจริญใจที่มาหาพระผู้มีพระภาคเนี่ยตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตยอยู่พอพระพรุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยจะไม่เจอภิกษุเหล่านั้นก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยจะหมดโอกาสแล้วจะทํำยังไงพระผู้มีพระภาคก็เลยได้ตรัสตอบตรัตอบกับท่านพระอนนท์บอกว่า กอนอานนท์สถานที่ที่ความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีอยู่สี่ตำบลสี่ตำบลคืออะไรเล่าอานนท์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระต ถ, ถาคตรประสูตธแล้วณที่นี้สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิสยานแล้วณที่นี้ สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่คุรบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปแล้วณที่นี้และสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่คุรบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตได้ปรินิพานด้วยอนุปาติเสสนิพานธานแล้วนที่นี้สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุรบุตรผู้มีศรัทธามีอยู่สี่ตำบลหลังนี้หนี้เพราะนั้น ในช่วงเวลาที่เรามีอาจจะทั้งสัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์ต่อๆไปก็จะอธิบายถึงสถานที่สี่ตำบล น, นี้แหละค่ะคือสถานที่ประสูตรประสรุประกาศพระธรรมจักรและสถานที่เสด็จดับขันทบรินิพานใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่าสำหรับที่ ที่ท่านบอกว่าจะเริ่มต้นก่อนนี่จะเริ่มต้นตามเส้นทางของการเดินทางที่ส่วนใหญ่เขามักจะเริ่มกันที่พุทธคยาทั้งด้วยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางด้วยและบางคนก็บอกว่าความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดที่นี่ด้วยเพราะตระัสรู้ที่นั่นใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าก่อนที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยก็เป็นพระพุทธสั์อยู่ก็ยังไม่ใชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธาใช่ไหมพอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วในวันเพ็ญเดือนหกค่ำ สิบห้าข้ามเดือนหกเนี่ยก็ถึงเป็นพระพุทธเจ้าได้ตาแหน่งที่ว่าตาแหน่งพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละในวันนั้นค่ะที่พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนสังเวชนียสถานสี่แห่งใช่ไหมครคือสถานที่ที่เห็นแล้วควรจะเกิดความสังเวชเนี่ย ใ, ในที่นี้น่าจะหมายถึงอะไรคะท่านคะก็คือพ ร, พ, พระอานน์เนี่ยถามพระพุทธเจ้าข้อนี้ไหมคุณศา ส, สนีธารมได้ตรงจุดมากพระอนน์ถามพระพุทธเจ้าข้อนี้เนี่ย ปรารบเหตุที่ว่าแหมบุคคลผู้น่าเจริญใจเนี่ยจะไม่ได้พบอีก <Okay. S 1> เพราะพระพุทธเจ้าก็เลยพูดคุณธรรมอันนี้ออกมาบอกว่านะถ้าใครมาแล้วมาด้วยศรัทธาแล้วเกิดความสังเวชนะสองอย่างนะมีศรัทธาเห็นแล้วเกิดความสังเวช <Okay. S 1> บุคคลเนี่ยผู้มีศรัทธามาแล้วเห็นแล้วเกิดความสังเวชเป็นผู้น่าเจริญใจ หน่ออกไหเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามได้มีโอกาสไปได้ไปเห็นแล้วมีศรัทธาไหมมีความสังเวชไหมถ้ามีเอ่อให้รู้ตัวไว้ว่าเธอเป็นผู้น่าจะเินใจละอืมคือหมายถึงว่าไปแล้วได้ประโยชน์ไปแล้วได้ประโยชน์จะต้องมีศรัทธาในเบื้องต้นมีศรัทธาด้วยค่ะมีศรัทธาแล้วเราเห็นเราเกิดความสังเวชพอเห็นมีศรัทธาเกิดความสังเวชเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่านี่จะเป็นคุณธรรมที่เรียกว่า จะสามารถที่จะหลังจากกายแตกตายไปเนี่ยจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้อันนี้ก็เป็นพุทธวจนะใช่ไหมคะใช่ว่าถ้าได้ไปเห็นด้วยศรัท ธ, ธาเกิดความสลดสังเวชแล้วกายแตกตายไปไ ป, ไปสุคติโลกสวรรค์ได้เลยถูกต้องงั้นสมมุติไม่ต้องสมมุตินะคะจากประสบการณ์ที่ท่านได้ไปเห็นพุทธคยาสถานที่พระพุทธองค์ปรัสรู้นั้นในส่วนของที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัว เกิดความสังเวชอย่างไรคะที่นั่นคะ่ะเกิดความสังเวชว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากเห็นไหมมีคุณสมบัติที่พร้อมเว็ราชามหากษัตริย์มาก่อนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรที่ไม่เสื่อมก็เสื่อมเหมือนกัน <c oughs> นะจะมามองนี้ว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ มีบิลเลเนอรคือคนที่มีเงินทรัพย์สินทรัพย์เกินหนึ่งันล้านเหรียญยูเอดอลลาร์เนี่ยมากที่สุดในในเอเชียค่ะในขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่มีจํานวนประชากรที่จนเนี่ยมากที่สุดในเอเชียเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือสูงสุดเสื่อมที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันหมดเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่เที่ยงดังนั้วเราเกิดความสังเวชอย่างนี้เนี่ยนี่คือการประการที่หนึ่งแต่ประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเราพบว่าการที่เราได้ไป เจอภัสสะที่เราต้องอดทนเนี่ยเพราะว่าเราเราไปด้วยศรัทธาใช่ไหมเราต้องมี ค, <ะ>ความอดทนพอเราเจอภัสสะที่อดทนที่เราต้องที่ทําให้เราต้องอดทนเนี่ยจะเป็นเหตุที่ทําให้เราง่ายในการเข้าสู่สมาธิเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิอ๋อนะเลยคะอ่าถูกต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเจออดทนต่อภัสสะทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นไกยใจจะเป็นเหตุที่ทําให้เป็นผู้ง่ายต่อการเข้าสู่สมาธิ อันนี้ก็ผู้ทงตรัสไว้ด้วยว่าถ้า<ช>อดทนได้กับพัทธะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสเข้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่ง่ายต่อการเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิพอเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุที่ทําให้เป็นผู้มีอานาจเหนือจิตจิตจะไม่มีอานาจเหนือเราได้อืมก็คือจะคิดเรื่องใดก็คิดได้ไม่คิดเรื่องใดก็ไม่คิดได้ค่ะหมายถึงว่าการไปที่อินเดียบางคนอาจจะเคยได้ยินกิตติศัพท์มานะคะ ก่อนไปเนี่ยเลยทําให้หลายคนนะคะเกิดความรู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะไปเพราะก็บอกว่าลําบากอย่างนั้นไม่สบายอย่างนี้อาหารเป็นอย่างนั้นผู้คนเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วหลายคนก็ไปแล้วก็ได้ความรู้สึกคล้ายๆท่าอาจารย์นะคะบอกโอ้มาที่นี่รู้เลยว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงเกิดที่นี่เพราะเห็นอะไรที่ชวนให้ปรงถ้าพูดง่ายๆนะคะ <c oughs> อย่างนั้นไหมคะ วางให้ได้อดทนให้ได้นะนี่คือประเด็นค่ะอย่างอื่นมีอีกไหมคะตัวอย่างของความสลดสังเวทนอกเหนือจะเห็นความไม่เที่ยงอันนี้เห็นพระไตรส่วนหนึ่งของพระไตรรักเลยพระไตรรักค่ะอีกประการหนึ่งก็คือว่าคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะถ้าเขาไม่มีศรัทธาเขาไม่เห็นความสังเวทเนี่ยเชื่อได้เลยว่าถ้าเขาตายกายแตกตายไปเนี่ยมีสวรรค์เป็นที่ไปหรือเปล่านี่เครื่องหมายคําถามเราไม่สามารถพยากรณ์ได้ แต่ถ้าบุคคลที่อยู่ที่นั่นนะอยู่ข้างๆกับ JD เจดีอะไรก็ได้เป็นขอทานอยู่ที่นั่นก็ได้หรือเป็นใครอยู่ที่นั่นก็ได้ถ้าเขามีศรัทธาและมีความสังเวชเขาก็้าไปสวรรค์ได้เหมือนกัน <unanimously. S 3> ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปถึงไหนเราอยู่ถามว่าศรัทธากับความสังเวชออยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่สถานที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเรามีความศรัทธาเกิดความสังเวชได้เราไปสวรรค์ได้ทุกที่สวรรค์ในที่นี้ หมายถึงอะไรสวรค์ที่ผูทรชาติได้ตลัดตรงนี้เนี่ยกับใจกับพรบานรนตอนก่อนปรินิพพานเนี่ยก็คือสุคติโลกสวรรค์หลังจากกายแตกตายไปค่ะหลังจากกายแตกเนี่ยจะไปสู่อีกสถานที่หนึ่งที่มีแต่ภาษาที่ชอบใจค่ะนะด้วยปาราลบเหตุอะไรเหตุก็คือมีศรัทธา่งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปด้วยศรัทธาก็ไปได้แต่ถ้าไม่มีศรัทธาแล้วอยาไป ท่านอจารย์คะขอเส น, นิดนึงได้ไหมคะที่ได้ขึ้นต้นก่อนเข้ารายการส่วนของท่านว่าดิฉันเนี่ยมีหนังสือคู่มืออยู่เล่มหนึ่งที่เขียนโดยพระราชรัตนรังสีซึ่งท่านอยู่ที่วัดที่กุศลนารานะคะอยู่อินเดียนานคะ่ะเป็นผู้ชำนาญการมากเลยเรียกว่าใครไปอินเดียก็ต้องรู้จักท่านท่านสรุปเอาไว้ว่าผู้ที่คิดจะไปไหว้พระให้ครบ พุทธสถาน4ี่แห่งตามตั้งใจได้เนื่องจากอินเดียทุกวันนี้สะดวกขึ้นก็ยังไม่สะดวกสะทีเดียวเนี่ย น, นะคะ uh huh. จะต้องมีคุณธรรมของผู้เดินทางปลูกไปก่อน6ข้ออย่างนี้ค่ะมี uh huh. ความศรัทธามีเชื่อมั่นมีทรัพย์ทั้งภายนอกภายในพอแก่การใช้สอย uh huh. มอีมีความแข็งแรงคือโรคภัยไข้เจ็บไม่เปลียดเบียน uh huh. มีบริวารสนับสนุนมีผู้นาพาที่เชื่อใจได้ มีผู้บรรยายที่ชํานาญให้ความรู้ก็น่าจะเข้าเค้านะคะใช่ใชค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนเบื้องต้นเลยเมื่อไปที่พุทธคยานอ้ถ้ามีเวลาจะอธิบายที่ท่านมาได้พูดถึงตอนต้นไว้เกี่ยวกับเรื่องการออกปนวดค่ะก็อยากจะให้ท่านช่วยอธิบายเลยอะค่ะคือว่าเรื่องการออกปนวดเนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นเชื่อสายสินธะร์มีความรู้สึกว่าเอ๊ เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายะแล้วเราจะไปแสวงหาสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเลยมันไม่ค่อยเข้าท่าได้ได้เจอนางสนมที่อยู่ในวงังนางสนมก็มาอารู้สึกขยะแขยงรังเกียจกับคนแก่ว่าคนนั้นผมหงอกว่าดูไม่ดีเลยแล้วก็คนนี้ป่วยว่าดูไม่ดีเลยตัวเองก็ต้องแก่ก็ต้องป่วย แล้วทำไมไปว่าเขาให้อย่างนี้ไม่เค่อยเข้าท่านืกออกไหมเพราะพระพุทธเจ้าก็เลยแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายเนืกออกไหมสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีไหมเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องมาว่าคนอื่นหรือว่ามีความกระหยาดกระหยงเกลียดชังต่อความแก่ความตายเนี่ยแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยไม่ถูกคนี่คือประเด็นของพระพุทธเจ้านะอเลยทําให้แสวงหาว่า เคนที่ไม่แก่ไม่ตายนถ้าเราแก่ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและเราไปแสวงหาสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคืออะไรบ้างเงินบุตรภรรยานะช้างแพะแกะไก่สุนัขสุกรทองเงินต่างๆมีความแก่ความเสื่อมความตายเป็นธรรมดาค่ะคนสมัยนี้ก็ห้ามเถียงนะคะว่าเงินอะเหมือนกันยังต้องการอยู่ แต่ตอนนี้ไม่ต้องการช้างแล้วต้องการรถเบนซ์ต้องการรถที่แพงกว่ารถเบนซ์นนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เท่ากับว่าวันนี้ถ้าอาจารย์ทั้งสองได้ตระเตรียมเอาพระสูตรที่เป็นการเกลิ่อนนาก่อนจะพาไปสังเวชนียสถานคือก่อนการเกิดมีการแสวงหาโมกสธรรมของพระพุธทธองค์ก่อนนะคะวันนี้ก็คงจะได้แค่การเตรียมการเท่านี้ก่อนค่ะท่านคะ เดี๋ยวอย่างไรก็ตามเราจะนมสักการให้ท่านช่วยเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะในเรื่องสังเวชนียสถานต่อเนื่องกันไปจะกี่วันก็ได้นะคะจนกว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ทั้งสาระในส่วนที่เป็นเรื่องราวของการเดินทางในส่วนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรวติศาสสถานที่แล้วก็สําคัญที่สุดเป็นพุทธวจนะพระสูตรที่สอดคล้องกับการเดินทางไปที่นั่นจะได้เกิดความสังเวช แล้วก็มีโอกาสไปสู่สุคติโลกสวรรค์จากการแม้เพียงได้ฟังเรื่องสังเวชนียสถานใช่อย่างนั้นไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านไผบูรณ์นะคะพระไผบูรณ์อภิปุณโญไว้หนะ้าโอกาสนี้ค่ะนมัส ก, การค่ะท่านฟังการสำหรับ ท, ท่านที่สนใจในพุทธวัจนะธรรมวินัยจากพุทธโอดโดยเฉพาะกับการที่จะได้หยิบยกเอามาให้สอดคล้องสัมพันธ์ กับการไปเยือนสังเวชนียสถานต่างๆของคณะพระคุณเจ้าที่เป็นครูบาอาจารย์ของดิฉันในรายการนี้นะคะก็อยากจะให้ติดตามกันต่อไปในวันพรุ่งนี้พุทธวัดสวัสดีค่ะ